แล้วเราได้เห็นกิเลสนี่แหละเราถึงจะ ก, กาจัดกิเลสหรือกาจัดความสกรปรกในห้องน้อยๆก็คือในจิตวิญญาณของเราเนี่ยได้ให้สะอาดขึ้นความถูกมีหนึ่งการที่จะจับตัวสมุทัยแท้จริงของความทุกข์นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดจึงคือความจริงต่อตัวเองเราจะต้องอ่านจิตให้ออกให้รู้ถึงเหตุผล ที่กระทำไปในทุกๆสถานการณ์จะต้องรู้เหตุจูงใจอันแท้จริงเมื่อดีก็ให้รู้ว่าดีเมื่อชั่วก็ให้รู้ว่าชั่วไม่มีการกลบเกลื่อนตัวเองอ่านเหตุผลที่แท้จริงของหัวใจยอมรับความแท้จริงของหัวใจไม่มีการเบี้ยวไม่มีการเลี่ยงเหตุผลของแต่ละอย่างมีได้มีได้ร้อยแปการกระทำ เพียงอย่างเดียวเราสามารถคาิคิดสาเหตุได้นับสิบสิบร้อยร้อยอย่างซึ่งล้วนแต่น่าจะถูกต้องทั้งนั้นแต่ความถูกต้องที่แท้จริงที่กรันออกมาจากหัวใจนั้นจะต้องมีเพียงอย่างเดียวเสมอไปสัจจะมีหนึ่งเดียวนะแต่คนเราจะรู้สัจจะที่ว่ามีหนึ่งเดียวเนี่ยจิตจะต้องสูงสูงสูงสูงสู ง, สงมากมากมากมา ถึงจะรู้มีหนึ่งเดียวแล้วก็ถึงจะตัดสินลงไปได้ว่าดงเดียวของสัจจะคืออันนี้แต่ถ้าจิตยังไม่สูงพอเนี่ยยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําว่าหนึ่งเดียวของโสดาบันนะดงเดียวของโสดาบันเนี่ยว่ายอย่างเงี้ยถูกละเอออย่างเงี้ยนะผิดพลาคอย่างเี้ระบกพ่องหนึ่งเดียวของโสดาบันก็ระดับหนึ่งนะการปักใจลงไปการตัดสินใจลงไป ของสกิทาคามีก็ระดับหนึ่งของอนาคามีระดับหนึ่งของพระอรหันต์ก็จะอีกระดับหนึ่งแต่สัจจะที่มีหนึ่งเดียวที่สูงที่สุดและถูกต้องตรงที่สุดก็ยิ่งต้อเป็นสัจจะของผู้ที่มีกิเลสน้อยที่สุดหรือเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสเลยนั่นแหละที่จะเป็นสัจจะที่แท้จริงที่มีหนึ่งเดียวที่สุดไม่อย่างนั้นแล้วนอกนั้นแล้วสัจจะอาจจะยังไม่ไม่หนึ่งเดียวทีเดียว แต่มันเป็นหนึ่งเหมือนกันตามเส้นทางหรือว่าตามแนวทางเข้าใจมหมสมมติว่าเส้นทางของโลกุตระเนี่ยมันมีเส้นเดียวเท่านั้นอ่ะมันไม่มีทางสายอื่นหรอกแต่พระโสดาบันเนี่ยสมมติพระโสดาบันเนี่ย <S <S เดินมาได้แค่แค่ทางแค่ตรงนี้แค่เดินมาแค่ต้นทางคือหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ของทางเดินมาแค่ต้นทางหนึ่งในสี่เพราะเส้นทางนี้ก็ยังหนึ่งเดียวนะ วันเหตุผลแนวความคิดนี่แนวเดียวกันแนวเดียวกันแต่ภูมิปัญญาของพระโสดาบันระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรเพราะเห็นแค่ตั้งแต่ศูนย์ถึงระยะชางระยะทางช่วงที่หนึ่งเนี่ยภูมิความรู้มีแค่ระยะทางแค่ช่วงที่หนึ่งแล้นั้นเองวันแต่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเวลาจะคิดจะตัดสินอะไรนี่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวของพระโสดาบัน นะแนวทางนี้เป็นเป็นโลกุตระแน่นะเป็นตามสายของอริยบุคคลแน่นอนแต่ความละเอียดออความถูกต้องที่เรียกว่าเฉียบคมเฉียบขาดเนี่ยแค่หนึ่งในสีของเส้นทางเท่านั้นเองเพราะเป็นสกิทาคามีเนี่ยอ้าวได้มาครึ่งทางนะได้ได้เพิ่มขึ้นไปอีกส่วนหนึ่ง วันก็ยิ่งรู้กว้างยิ่งรู้ลึกยิ่งรู้เห็นอะไรชัดยิ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเดียวของพระสกิทาคามีก็โอ้โหยิ่งชัดมากขึ้นกว่าของพระโสดาบันจนกระทั่งไปถึงอนาคามีนะการตัดสินการพิจารณาอะไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยิ่งเรื่องกิเลส ข, ของเราเองก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกวันพระ อ, อนาคามีเนี่ยถึงได้เชื่อมัน่นตัวเองสูง มีมานะทิติสูงน่าจะยึดจะยึดทิติจะยึดการตัดสินใจของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากเลยเพราะว่าแทบจะเรียกว่าแหมมันค่อนทางแล้วอะ่ะใช่ไหมมันสามในสี่ของทางแล้วที่ผ่านมาปฏิบัติจนมาถึงสามในสี่จนกระทั่งเรียกว่ามันเหลือน้อยจนสามารถที่จะพระอนาคามีบางรูปสามารถที่จะไม่ กลับมาเกิดอีกก็ได้หมายถึงว่าแค่เดินมาถึงสามในสี่เนี่ยบางรูปแทบจะกิเลสก็แทบจะเกี้ยงเหมือนกันนะ่ะเนี่ยแหละเพราะจะโอ้โหเชื่อมั่นตัวเองสูงเลยในการตัดสินใจในความคิดของตัวเองว่าดึงเดียวต้องอย่างนี้เลยแต่จริงๆก็ยังไม่เฉียบคมหรอกยังไม่ถูกเปะ๊ะต้องขึ้นไปเป็นผ้าลหันอีกยิ่งจะเฉียบคมยิ่งจะเป๊ะในการ ตัดสินเลยโดยเฉพาะเรื่องกิเลสนี่ยิ่งตัดสินได้อย่างเฉียบขาดเลยเพราะถ้าไม่ถึงเป็นพระอาหารหันต์นี่นะไอ้อนุสัยที่มันเล็กละเอียดมันอะไรเนี่ยน่าต้องระดับพระอาหารหันต์ที่โอ้โหจับได้รู้ได้นะตัดสินได้ฟันฉับลงไปทิ้งเลยมันถึงจะสิ้นเกลียงพระอาหารหันต์อย่างนั้นแล้วสัจจะเดียวเดียวมาถึงได้โอ้โหเพราะไม่มีกิเลสอยู่เลยเนี่ยแหละถึงมองเห็นสัจจะได้อย่างแท้จริงเลยเพราะไม่ไม่มีกิเลสเนี่ย อยู่ในจิตวิ ญ, ญญาณที่จะมาบิดเบือนหรือว่ามามีรักมามีชังมามีชอบไม่ชอบอะไรอยู่ในจิตอีกเพราะนั้นการตัดสินการพิจารณานั้นถึงจะแม่นที่สุดและถ้ามีเหตุผลอื่นอื่นอีกก็จะกลายเป็นเหตุผลรองรองลงไปแม้ในกรณีที่มีหลายเหตุผลที่ออกมาจากจิตใจของเราก็ตามเราก็จะต้องมีความจริงและ เปิดเผย อ, อย่างซื่อสัสตย์ต่อตัวเองที่จะแยกแยะว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงวงเล็บเหตุผลหลักและอะไรคือเหตุผลที่รองลงมาเพราะบางครั้งระหว่างเหตุผลทั้งสองนั้นมันละเอียดเสียจนมองเผินๆกลับคิดว่าตัวรองกลายเป็นตัวหลักก็มีมากมายคืออันนี้เขาก็จะพูดว่าให้เราเนี่ยตัดสินนะตัวเราเองเนี่ย อย่างเดียวเนี่ยให้ได้แล้วก็ไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะกิเลสมันซับซ้อนอยู่บางทีเราคิดว่าเอออย่างเช่นนะบางทีเรานึกไปรักไปชอบคนนี้เราคิดว่าโอ้เพราะเหตุผลคนนี้โดยตรงแต่เปลา่าบางทีอาจจะโอ้โหหวังผลประโยชน์อย่างอื่นนะแล้วเราก็เลยไปรักคนนี้แต่คิดว่าเพราะว่าเรารักคนนี้เพราะอะไรบางทีเพราะเพราะเขาเป็นคนดี เราก็เลยรักคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนดีแต่ความจริงเบื้องหลังหน้ากากของความดีนี่ก็คือจริงๆนะโอ้โหเขารวยนะถึงไปรักคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องจับกิเลสให้ให้ได้ทันว่าอะไรมันเป็นตัวหลักกันแน่อะไรมันเป็นตัวรองกันแน่อย่างเงี้ยนะอาตมาเพียงจะยกตัวอย่างขยายให้ฟังเหมือนกับกิเลสของเราเนี่ยมันไม่จับง่ายๆหรอกเพราะนั้นเนี่ยอย่าประมาทนะพรูเจ้าท่านขึ้นมาอันดับแรกเลยของ คุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยที่ว่าต้องรู้รู้อะไรรู้สักยะสักยะทิฏเนี่ยต้องคือตัวหลักนี่แหละคือตัวหลักต้องจับสักยะให้ได้อันอื่นเป็นตัวรองอยู่เพราะนจับโจนต้องจับหูหน้าโจนนะถ้าจะฆ่าต้องฆ่าหูหน้าโจนก่อนลูกน้องนี่ทีหลังแล้วก็ของใครของมันด้วยซึ่งนี่มันยากตรงนี้ว่ามันมัน มันไม่เป็นสู่ตายตัวเพราะนั้นใครมีกิเลสเรื่องไหนที่เป็นศักยะที่เป็นตัวหลักนะเป็นหัวหน้าโจนต้องจับให้แม่นแล้วฆ่าที่ตัวนั้นสําหรับคนอื่นเขาอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้เขาไม่จด้เป็นตัวเดียวกับเราแล้วเขาก็ต้องไปจับของเขาให้ถูกฝาถูกตัวว่าอ๋อไอ้กิเลสตัวนี้เป็นหลักเลยนะเนี่ยเล่นงานเรามาหลายสิบปีแล้วนะเนี่ยโอ้โหมัวไปฆ่าไอ้ตัวลูกน้องมันอยู่นั่นเนี่ยไอ้ตัวหัวหน้ามันก็ยังอยู่ตลอดเวลาเลย มิหน้าเราปราบโจรตัวนี้ไม่สําเร็จทั้งทีเพราะว่ามัวแต่ไปฆ่าลูกน้องโจนโรนั่นแหละไปจับดูว่าเออมันอะไรกันแน่นะมันเป็นสัพพยะทําให้เราถึงได้เป็นอย่างนั้นอ่านี้อ่านต่อการหัดสร้างนิสัยให้ยอมรับความจริงบางครั้งแม้จะขมขื่นก็ต้องยอมรับชีวิตเกิดมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ความจริงเมื่อปิดบังเสรยจแล้วชีวิตนั้นก็เป็นหมันไป สิ่งต่างๆที่แสดงออกมาจึงไม่ควรหลบเลี่ยงที่จะรู้ความจริงในหัวใจของตนแม้บางทีตนจะอ้างประกอบกลับดูหนักแน่นและน่าเชื่อถือกว่าเหตุผลอันแท้จริงก็เป็นได้เพราะเหตุผลที่แท้นั้นมิใช่เหตุผลที่จะต้องดีเลิศหรือน่าเชื่อถือจิตมนุษน์นั้นไซยากแท้อย่างถึงดังนั้นบางกรณี แม้พูดไปแล้วคนทั่วไปไม่เชื่อเลยก็ยังเป็นได้แต่ตัวเรานั่นแหละที่จะรู้เหตุผลที่แทนน้นั่นแหละบางคนเนี่ยเขาดูโอ้โหคนนี้มาดดีจังเลยนะนะเสร็จแล้วเกิดไปทำผิดอะไรเข้าเนี่ยไปบอกให้ฟังเนี่ยว่าเราทำผิดเพราะเพราะเรามีกิเลส ต, ตัวนั้นตัวนี้เนี่ยบางคนเขาฟังแล้ว เ, เขาไม่เชื่อหรอกบอกโอ้ย ปกตินี่เห็นคุณดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่เชื่อหรอกว่าคุณยังจะมีกิเลสอย่างนี้อยู่คุณไปทําอย่างนั้นได้เนี่ยไม่เชื่อหรอกแต่อันนั้นเป็นความคิดของคนอื่นแต่เราเองเราต้องชัดว่ามันจริงไหมละ่ะมันใช่ไหมละ่ะไอ้กิเลสตัวเนี้ยทําให้เราต้องพลาดพังลงไปอย่างนี้จริงไหมถ้ามันจริงนั้นแม้คนอื่นไม่ยอมรับนะแต่เราเองเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าเออตัวนี้ใช่แน่ๆนั้นก็ต้องชัดเจนตัวเราเอง หาเหตุผลหรือเหตุจูงใจของการกระทำนั้นคำพูดนั้นหรือแม้แต่ความคิดนั้นเมื่อจับความแท้จริงได้ขบวนการแก้ปัญหาหรือะบวนการแก้ความทุกข์ก็ย่ํมเริ่มตรงเป้าเข้าประเด็นอย่างแน่นอนแม้จะไม่ต้องบอกให้ใครรู้ตัวเองก็ต้องรู้เองไม่มีการกลบเกลือนหรือเลี่ยงไม่มีการถอยหนีอีกต่อไป กล้าเสมอที่จ ะ, ะเผชิญกับเหตุผลที่แท้จริงของพฤติกรรมนั้นพฤติกรรมก็คือ behavior อ่ถึงหัวข้อสละชีวิตหัวข้อสุดท้ายแล้วนะโอ้โหหัวข้อสุดท้ายนี่สละชีวิตกันเฉลยบาปที่สุดของมนุษย์นั้นไม่ใช่อยู่ที่การฆ่าเขาแต่คือการหลอกตัวเองโกหกตัวเองอยู่ตลอดเวลา ก็ใครเล่าที่จะต้องทนทุกข์ใช้กรรมเหล่านี้ถ้าไม่ใช่ตัวเองอันนี้เขาพูดให้ฟังนะจริงๆแล้วใครจะโกหกตัวเองก็ตามหรือไม่โกหกตัวเองก็ตามยังไงก็หนีไม่นพ้นกรรมของตัวเองคือจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวจะโกหกหรือจะพูดความจริงยังไงก็ต้องเป็นไปตามกรรมของตัวเองอย่างอย่างนี้ไม่พน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้เรารู้ความจริงของตัวเราเองดีกว่าเรากับ ยังจะพอที่จะคาดการหรือพอที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรยังจะมีโอกาสแก้ไขแต่ถ้าใครเนี่ยยิ่งโกหกตัวเองนะหรือว่ายิ่งไม่รู้ตัวเลยโมหานั่นเองยิ่งไม่รู้ตัวของเราเองว่าเราทํากรรมอะไรไปยังไงบ้างแล้วผลมันจะตามมายังไงยิ่งไม่รู้เนี่ยพอได้รับแล้วนะโอ้โหยิ่งเศร้าโศกยิ่งทุกข์ยิ่งเสียใจมากเพราะอะไรก็เพราะไม่รู้อ่ะ ยิ่งไม่รู้เนี่ยพอเวลาเจอเข้านะทุกข์มากแล้วก็จะไม่รู้วิธีแก้ด้วยเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันทุกข์มายัางไงไม่รู้ต้นเหตุไม่รู้สาเหตุแล้วจะแก้ได้อย่างไงยิ่งไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นคนที่พยายามรู้ความจริงของตัวเองและไม่หลอกลวงตัวเองคนนั้นแหละจะมีโอกาสที่จะพ้นทุกข์ได้นะเมื่อหมดความจริงใจต่อตัวเองเราจะสร้างความจริงใจต่อผู้อื่นได้อย่างไร แม้จะสร้างขึ้นมาได้ความจริงใจตัวนั้นก็ยังตั้งอยู่บนลากฐานแห่งความไม่จริงใจเท่านั้นเองความหวานอันเป่งออกมาจากคนใจขมจะมีประโยชน์อะไรกันและความหวังดีของซาตานใครเล่ากล้าที่จะรับ <c oughs> เออเข้าใจใช่สํานวนนะความหวังดีของซาตานใครเล่าจะกล้าที่จะรับ อะไรคือซาตานแล้ว เ, นะเราพูดกันไปแล้วนะเรื่องของซาตานเอชช่ยหรือเปล่าหรือว่าพูดเรื่องที่อื่นนะซาตานก็คือกิเลสของเรานะถ้าพระเจ้าก็คือกุศลแลจิตของเราเพราะฉะนั้นในที่นี้ความหวังดีของซาตานใครเล่าจะกล้ารับก็หมายถึงว่าอย่าโดนกิเลสมันหลอกนะความหวังดีของกิเลส กินสักหน่อย่ะน้านะจะได้แข็งแรงหรือว่าจะได้อะไรมีแรงไปสู้กับกิเลส <c oughs> ชีวิตของเรายังจะต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณแห่งาธาตุรู้ให้สูงขึ้นไปหากคราใดปิดกั้นแสงแห่งความแท้จริงเสียแล้วณนะครานั้นชีวิตก็ย่อมไรค่า เพราะเขากำลังก้าวเข้าสู่หุบเหวแห่งความทุกข์เลิกถือตัวถือตนยอมรับความบกพร่องไม่ต้องหวังจะให้ใครมาชอบเราหรือมองเราในแง่ดีแง่ยกย่องหรือเอาอกเอาใจไม่ต้องกลัวใครเขาจะมาดูถูกเราติเตียนเราดุว่าเราเพ่งโทษเราหรือมองเราในแง่ด้อยคุณค่าไรค่าไรศักดิ์ศรี ความจริงก็คือความจริงเมื่อมันจริงก็แปลว่ามันจริง <c oughs> ก็ถูกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ดีจริงก็ไม่หลงปลื้มเลวจริงก็ต้องแก้ไขค่อยเป็นค่อยไปองเล็บแต่ก็ควรจะรู้ว่าดีจริงก็แปลว่ากุศลกรรมและเลวจริงก็แปลว่าอกุศลกรรมมิใช่การทำงานผิดพลาดหรือการกระทำอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับ ความเห็นแก่ตัววงเลบปิดไม่มีใครดีร้อยปอร์เซนต์หรอกทุกคนต่างก็มีข้อบกพร่องแครอะไรกันนักหนาถ้าเราก็คือเราเกียรติศักดิ์อันแท้จริงแห่งชีวิตจึงคือการกล้ายอมรับความจริงและเมื่อนั้นชีวิตของเราย่อมไม่เป็นชีวิตที่ศูนย์เปล่าไม่ใช่ชีวิตที่เป็นโมฆะแต่อย่างใด แล้วเขาก็ลงท้ายยี่สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบแหมนี่ปีนี้สองพันห้ารอยสี่สบนี่ก็เท่าไหรแล้วยี่สิบปีเขาจบตรงความสําคัญที่ว่าคนเรานี่ต้องกล้ายอมรับความจริงแต่ก่อนที่คนเราจะกล้ายอมรับความจริงเนี่ยคนเราต้องต้องรู้จักความจริงก่อน ้ไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงแล้วมันจะไปยอมรับไปอะไรต่ออะไรที่ไหนยังไงนะแล้วอะไรล่ะคือความจริงเทนี้ภาษาเนี่ยที่ใช้ว่าความจริงเนี่ยขโมยก็เป็นความจริงดีก็เป็นความจริงใช่ไหมก็นั่นแหละความจริงคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเอาเร็วก็เป็นความจริงใช่ไหมหรือเปล่า อ้าอย่างนี้ถ้าเราเลวเราก็บอกว่าเออเราเลวจริงๆ <c oughs> รหรือเปล่าหรือว่าอ้าถ้าดีก็บอกว่าเออเราก็ดีจริงๆอย่างงั้นหรือเปล่าลๆๆแล้วตอนนี้เนี่ยอา้าวเลวก็ตามดีก็ตามเนี่ยมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะเราจะเอาความจริงตรงไหนอ่ะถ้าดีก็ตามเลวก็ตามมองเห็นไม่เหมือนกันเราจะเอาตรงไหนอ่ะบอกว่า อันนี้เร็วจริงๆอ่าอีกคนเขาอาจจะบอกว่าโอ้ยนี่ไม่เร็วหรอกอย่างเงี้ยดีล้วจะทำยังไงน่าสีจะเอาอะไรอ่ะเอาศีลอ่ศีลของใครอะเอาศีลของใครเป็เกณฑวัดนะศีลของค่าเลยโอ้ถ้าเอาศีลของค่านี่ก็คงไม่จบแน่ๆเลยนะ นะศีลก็ต้องเป็นศีลของผู้ที่เรายอมรับความจริงแล้วว่าผู้นี้เป็นผู้รู้จริงผู้นี้เป็นผู้เข้าถึงความเป็นจริงนะมันจะต้อง ม, มันจะต้องมีตัวนี้เป็นหลักเหมือนกันเป็นมาตรฐานพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าถึงได้ได้ถือว่าผู้ที่จะได้เป็นพระโสดาบันขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยต้องถือศีลห้าของท่านได้ แล้วท่านก็วัดคุณค่าของคนว่าเนี่ยคนที่จะรู้สัจจะรู้ความเป็นจริงแล้วเที่ยงเที่ยงต่อการตัศรู้นี่คือคือเที่ยงต่อการที่จะรู้ความจริงที่สุดของชีวิตนั่นเองนะรู้อริยสัจเนี่ยรู้ความเป็นจริงความเป็นจริงอันประเสริฐเนี่ยนะรู้อริยสัจคนผู้ที่จะรู้อริยสัจขึ้นมาได้เนี่ยอย่า ง, งน้อยๆต้องฐานโสตพันธ์ขึ้นมาถือศีลขึ้นมาให้ได้ แล้วต้องเป็นศีลที่ท่านบัญญัติเอาไว้ที่ท่านกำหนดเอาไว้เพราะอะไรเพราะผู้ที่รู้สัจจะแล้วเท่านั้นน่ยผู้ที่รู้ความจริงแท้แล้วเท่านั้นเนี่ยถึงจะมาเปิดเผยความจริงแล้วมาบอกความจริงแต่ส่วนคนที่ยังไม่รู้ความเป็นจริงยังไม่รู้ว่าชีวิตเนี้อะไรเป็นสัจจะของชีวิตจริงๆคนนั้นยังไม่รู้คนนั้นจะมาบัญญัติอะไรได้ละ่ะในเมื่อเขายังไม่รู้ความแท้จริง เขาก็จะบัญญัติตามที่เขาคิดเท่านั้นเองว่าเขาคิดว่าอย่างนี้จริงเขาก็บัญญัติว่าอย่างนี้ว่าอาตมาถึงบอกว่าถ้าเป็นศีลของใครศาสดาอื่นพผู้เจ้าถึงได้บอกว่าศาสดาอื่นๆเนี่ยท่านก็บัญญัติคําสอนบัญญัติ10ประการยี่ประการสามสิบประการอะไรก็แล้วแต่ก็มีทั้งนั้นแหละบัญญตัติมาแต่ว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงความจริงแล้วรู้ความจริงถึงที่สุดแล้วยัง ผู้ที่รู้ที่สุดผู้นั้นก็จะบัญยายนความจริงที่สุดออกมาได้แต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านยืนยันว่ามีแต่ในศาสนาพุทธเท่านั้นนะอริยสัจอย่างนี้ที่จะผู้ที่จะรู้ถึงแล้วก็จะเข้าถึงแล้วก็จะทําได้จริงอย่างนี้มีแค่สมณะสีเหล่านี้เท่านั้นเองศาสดาอื่นลัทธิอื่น ว่างเปล่าว่วางเปล่าจากอรหันเพราะว่าอรหันนี่จะเป็นผู้ที่รู้สัจจจริงที่สุดนะผู้ที่จะมีฐานของจิตระดับอรหันน์เท่านั้นที่จะรู้สัจจอย่างแท้จริงนอกนั้นแล้วยังยากรู้จริงก็รู้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองว่าอย่างพวกเราเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างที่อา้าวจะเถียงพ่อท่านมั่งหรือจะอะไรมั่งอะ่ะเราก็มีเหตุผล แต่ก็เหตุผลอย่างของเราอ่แหละเข้าใจไหะเหตุผลอย่างคนที่รู้จริงอ้าวยกให้ว่ารู้จริงครึ่งไม่รู้จริงครึ่งโอ้โหนี่ยกให้มากเลยเนะีรู้จริงครึ่งไม่รู้จริงครึ่งนี่ถือว่าอย่างน้อยๆต้องเป็นสกิทาคามมนะเอถ้ารู้จริงแค่หนึ่งในสี่อย่างอย่างที่ตะกี้บอกอา้างยกให้ว่าเป็นปะโสดาบันนะอรู้จริงแค่หนึ่งในสี่าแต่ แต่จะไปเถียงกับบางทีผู้ที่โอ้โหนะรู้จริงเต็มร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาตมาพูดสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับพวกเราให้เป็นแง่คิดที่ว่าเราเองเนี่ยบางครั้งเราบอกว่าเราเนี่ยจับกิเลสตัวเราได้ชัดแล้วเราไม่หลอกตัวเราเองหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่นั้นก็ยังเป็นภูมิอย่างของเราที่เราคิดเพราะฉะนั้นเน่ย คราวนี้นะถ้าเป็นปกติเราต้องบอกว่าเราต้องรู้ตัวเราเองดีกว่าคนอื่นถูกมอ่าไม่มีใครมารู้ดีเท่าตัวเราเองแต่โดยความเป็นจริงแล้วผู้ที่รู้สัจจะแท้จริงยิ่งกว่าเราอ่ะรู้ความจริงดียิ่งกว่ายิ่งกว่าเราแล้วก็เท่ากับว่ารู้กิเลสเราดียิ่งกว่าเรา <c oughs> นะมันก็จะกลับกันไปกลับกันมาอย่างเงี้ยนะถ้าใครเข้าใจก็จะ รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่บางทีเวลาเรานึกเถียงอยู่ในใจอ่ะยังมีแล้วบางครัง้งนะแต่มายังเคยนึกเถียงอยู่ใจอ๋อจะมารู้อะไรตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเหรออ่านะเรื่องอารมณ์ความรู้สึกใช่เราอาจจะรู้อารมณ์ความรู้สึกเราดีกว่าคนอื่นฟังดูให้ดีนะคราวนี้อารมณ์ความรู้สึกของเราเหระใช่เรารู้ดีกว่าคนอื่นแน่ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก แต่สัจจะเนี่ยนะความเป็นจริงเนี่ยเราไม่รู้ดีกว่าผู้ที่รู้ความเป็นจริงยิ่งกว่าเราหรอกไม่มีทางยังไงก็ไม่มีทางเพราะลูกศิษย์ถึงได้ต้องเป็นลูกศิษย์อยู่วันยังค่ํานะนี่จะพูดตามตามสัจจะน ะ, ะหรือพระโสดาบันเนี่ยจะรู้ดีกว่าพระสกิทาคามีเป็นไปไม่ได้พระสกิทาคามีจะรู้ดีกว่าพระอนาคามีเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะ แล้วก็ฐานะอื่นจะมารู้ดีกว่าพระอาหารหันต์ไม่ใช่เลยไม่ใช่ฐานะเลยไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วโอ้โหเราจะลดการโต้เถียงลงไปได้เยอะเลยโต้เถียงกับคนที่เราค่อนข้างจะแน่ใจนะเ อ, เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราค่อนข้างจะแน่ใจว่าคงรู้ดีกว่าเราแน่ๆนะโอ้ยเราจะลดตัวนี้ลงไปมากเลยแล้วเราจะมีตัวยอมรับเราจะมีตัวที่ อะไรเชื่อถือเชื่อฟังหรือว่าเชื่อมั่นเนี่ยอย่างมากแล้วเราจะมีความยินดีพอใจในการที่จะทําตามนั้นได้อย่างสบายอกสบายใจด้วยถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะไม่รู้สึกอึอัดหรือว่าต้องฝืนฝนใจเราเลยถ้าใครเข้าใจนะจะไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหโอถ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านสอนอย่างนี้หรือว่าท่านแนะมาอย่างนี้นะ รับรองเลยว่ายังไงก็เรื่องกิเลสเนี่ยรู้ดีกับเราแน่นอนเลยแต่บอกแล้วไอ้เรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกหรือว่าเรื่องอะไรอย่างอื่นนี่อันนั้นไม่แน่นะอันนั้นไม่แน่นะเพราะว่าอันนั้นมั น, ม, นมันแล้วแต่การศึกษาหรือว่าแล้วแต่ความชํานาญหรือว่าแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งอันนั้นมันไม่แน่นอนอ่ะก็จบแล้วนี่เรื่อนี้นะ วันสุดท้ายเราก็ได้อ่านไปแล้วที่เขาย้ําว่าจะต้องรู้จักตัวเองให้ได้แล้วก็อย่าหลอกตัวเองนะโดยรู้ตัวเองก็คือรู้ความเป็นจริงนั่นเองรู้ความจริงของตัวเองอะ่ะก็จบโดยบริบูรณ์นะเหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแปล